ต่อไปตั้งใจฟังหลวงพ่อจะได้กล่าวแนวธรรมะภาคปฏิบัติให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาวันนี้เป็นวันพระแรมแปดค่ำเดือนเก้าตรงกับวันที่สองกันยายนพุทธศักราชสองพันห้า้อยห้าสิบสามเป็นวัน ปฏิบัติธรรมของพวกเราวันหนึ่งเมื่อเช้าพวกเราก็ได้ทำบุญตักบาตรตามประเพณีแล้วก็ได้ไหว้พระแล้วก็สมาทานศีลบางท่านก็รักษาศีลห้าของท่านก็รักษาศีลโสถพอตกเย็นพวกเราก็ได้มารวมกันคือไหว้พระจากนั้นก็ได้จะได้ฟัง หลวงพ่อจะได้กล่าวสมโภชนิยกถาให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วก็ต่อไปพวกเราก็จะได้นั่งสมาธิเพื่อเป็นกิจกรรมต่อไปอีกคือการนั่งสมาธิเป็นการปูพื้นฐานว่าวิธีการนั่งสมาธินั้นเป็นอย่างไรเพราะบางท่านบางคน เกามาจากจากตุรทิศอย่างไม่เคยเข้ามาสู่วัดวาศาสนาก็อยากจะปฏิบัติแต่ไม่รู้จะนั่งอย่างไรอันนี้ก็พวกเราก็ได้จะได้นั่งกันเพื่อให้เรียนรู้เพื่อเป็นการศึกษาแต่ว่าทุกวันพระในพรรษาคณะกรรมการของวัดแล้วก็พระสงฆ์ ได้เห็นพร้องต้องการว่า ต, ตอนเช้ามีกิจกรรมในวัดของเราก็ควรจะออกให้ออกขอออกสถาในวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในถิ่นของพวกเราแล้วก็ตอนเย็นอย่างนี้ก็ไหวพระสวดมนต์ก็ควรจะทำเป็นกิจกรรมภายในวัดคือเฉพาะวันพระ เท่านั้นคือแปดค่ำสิบห้าค่ำภายในพรรษาแต่เมื่อออกพรรษาแล้วเขาคงจะอตามปกติเพราะนั้นวันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราแล้วก็เป็นวันรักษาศีลของพวกเราในหลักของพระพุทธศาสนาตี่พระพุทธเจ้าท่านอบรม แนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนสัทธาญาติโยมพุทธบริษัทของพระองค์พระพุทธองค์สอนมีหลายระดับขั้นตอนเหมือนกับพระพุทธองค์มีสินค้ามากลากหลายในห้างสปปรรพสินค้าแต่ราคาแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนี้ก็เหมือนกันที่ท่านบอกแนะนำสั่งสอน ศรัทธาญาติโยมพี่น้องประชาชนถ้าผู้ยังไม่พร้อมที่จะรักษาศีลห้าท่านก็ให้สอนให้ยึดพัดไตรสรารณคมยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาร ะ, ะเป็นที่พึ่งไว้ก่อนคือยึดผู้ดีไว้ก่อนยึดผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบไว้ก่อนถ้าว่าเรายึดเราไม่มีเครื่งยึดไม่มีเครื่องยึดเหนียวทางด้านจิตใจพวกเราคงจะ เคว้งว้างว้าเวอ้างว้างเงียบเหงาในที่สุดไม่รู้จะยึดอะไรเป็นหลักเขายึดให้ยึดอะไรเราก็ต้องยึดอย่างนั้นเพราะเราไม่มีหลักยึดเพราะนั้นให้ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้ามีคุณงามความดีอย่างไรถึงจังให้ยึดอย่างที่พระบหูเวสรานังยันติพัพะปะตานิวนานิจจะที่พวกเรา บางครั้งเราก็ได้สวดคือเราไม่ยึดอย่างอื่นเพราะในโลกนี้มีมากมายหลายหลายอย่างบางทีก็ยึดสารประภูมิบงังบางทีก็ยึดอะไรมีหลายแนวยึดผู้พูดผีปีศาจยึ ด, ดต้นไม้ภูเขายึดอะไรอารามร้างพระเจดีย์อย่างนี้เป็นต้นแต่ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าธนว่าให้ยึด พระไตรยสรณคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทําไมท่านนยึดพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองพระองค์ไม่มีกิเลสแล้วตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากพระไทยของพระองค์แล้วเหนือกว่าพรมเหนือกว่าเทวดาเพราะเหตุไรเพราะพรมนั้นท่าหวัดหมดอริสง์หมด อเนกสง์หมดกําลังของฌานท่านก็จะลงมาเกิดเป็นมนุษย์เผลอๆอาจจะตกต่ําเวียนว่ายตายเกิดอาจจะเป็นสัตว์ที่ดิฉันช้างม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่ได้ทั้งนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าพรหมยังไม่ยังไม่ถึงขั้นอริยะเพียงแต่ว่าอเ น, นิสง์ฌานอเนิสง์ภาวนาของท่านก็ ข, ขึ้นไปสู่พรหมแล้วเทวดาก็เหมือนกัน เทวดาก็ด้วยอันโศกทานศีลภาวนาเครื่องเกื้อกูลนุนก็ขึ้นไปสู่สวรรค์เมื่ออกลงมาจากสวรรค์แล้วก็พร้อมที่จะตกต่ำได้อีกเหมือนกันเพราะพระพไตเจ้าเป็นผู้หมดจดจากกิเลสราคะโทสะโมหะไม่มีในพระไทยของพระองค์เหนือกว่าธมเหนือกว่าเทวดาจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอนันตา ก, การ นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าเราเหมือนกับเราเป็นไก่เรากระเทาะเปลือกไข่ออกแล้วเราเป็นพี่ใหญ่กว่าเทวดาพรมมนุษย์และวิญญาณที่อยู่ในเปาะไข่คือยังจะอยู่ในเวียนจะต้องเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสาร<ม>อันนี้คือพระพุทธเจ้า่เนี่ให้ยึดเพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า จะไม่มาเวียนไหว้าตายเกิดอีกแล้วมีแตให้คุณไม่มีไม่เรื่องให้โทษไม่มีพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นนิยานิกระทรรัมถ้านำมาประพฤติธปฏิบัติแล้วจะนําผู้ประพฤติธปฏิบัตินั้นให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสราคะโทสะโมหะจะไม่มาเวียนไหว้าตายเกิดในวัฏสงสารอีกอันนี้คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ส่วนพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นอริยสงฆ์ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสตแต่พระโสดาพระสกทาคาพระอนาคารหันเรีวยกว่าอริยสงฆ์ถ้าต่ำกว่านั้นลงมาแล้วว่าสงสมม์สมมุติสมมุติติสงฆ์แต่พระอริยสงฆ์สาวกเนี่ยท่านว่าเป็นพระสงฆ์เป็นผู้คงที่เป็นผู้พร้อมที่จะใต่เจ้าเข้าสู่พระนิพพาน อันนี้ยึดพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเพราะพระสงฆ์สาวกท่านมีแต่ให้แต่คุณนะไม่ได้ให้โทษเพราะท่านมีท่านมีเมตตาให้แต่พระคุณอย่างเดียวแต่ส่วนพระภูมิเทวดาถ้าเราไปกาไปไหว้เทวดาเทวดาพอใจเทวดาก็ให้คุณแต่เทวดาไม่พอใจเทวดาก็ให้โทษเพราะนั้น เทวดายังมีกิเลสอยู่พร้อมที่จะให้โทษให้คุณแต่พระไตรสาระคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นมีแต่ให้คุณอย่างเดียวเพราะนั้นท่านจึงให้ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้หมดจดจากกิเลสแล้วพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นนิยาณิกรรมเป็นธรรมอันบริสุทธิ์พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้หมดจดจากกิเลส จะไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารอีกเพราะนั้นท่านจึงหยึดผู้ดีที่สุดคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นจารณะเป็นที่พึ่งเพราะนั้นพวกเราจึงได้กราบได้ไหว้อรหังสวาคาโตสุปฏิปโนโนโมตัสะนโมตตะคือความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคจากนั้นกับพุทธทางธรรมังสางขังสารางคตฉามิอย่างพวกเราได้กราบได้ไหว้ พระไตรชนาคมอย่างมื้อเช้าหรือทุกครั้งที่พวกเราไหว้พระและสมาทานศีลอันนี้ก็คือพวกเรายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระในจิตในใจของพวกเราจากท่านพระพุทธองค์ก็แนะนําสอนให้พวกเรารู้จักเรื่องการเป็นอยู่การวางตัว การวางตัวก็คือการเป็นอยู่ในเพื่อนมนุษย์ชาติพวกเราควรจะวางตัวอย่างไรควรจะมีน้ําจิตน้ําใจอย่างไรควรจะมีเมตตาอารีตต่อเพื่อนมนุษย์ชาติต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างไรอันนี้พระพุทธองค์ก็สอนมีหลายระดับเหมือนกับอย่างที่ว่านนะเหมือนห้างสรรพสินค้าแต่ว่าพวกเรายังรักษาศีลห้าไม่ได้พวกเราก็ยึดพะระไตรสาระคมอย่างที่ว่า ถึงจะรักษาสินยังไม่ได้พวกเราก็เอายินดีในการทำบุญทําทานเพราะว่าการทำบุญทําทานอเนกสงแห่งการทําทานเอ่ออนิสงสงแห่งการเสียสละเราเกิดมาพบหน้าชาติหน้าเราก็จะได้พึ่งพาอเนกสงบุญถึงชาตินี้ก็เถอะท่าว่าพวกเราได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้แล้วบุญกุศลจะเข้าเรื้อกุหนุนจิตใจของพวกเราเหมือนกัน ทำกิจกรรมอะไรสิ่งที่ไม่น่าจะสําเร็จรุ้่วงไปก็สําเร็จรู้ทวงได้สิ่งที่ที่ไม่พอเป็นจะไปได้ก็เป็นไปได้เพราะอะไรเพราะว่าอันในสงการทําบุญทําทานของพวกเราเกื้อกูลหนุนอันนี้มันเป็นพลังนะอันในสงแห่งการทําบุญเป็นพลังทางด้านจิตใจเพราะฉะนั้นพวกเราอย่ามองข้ามถ้าพวกเราไปอยู่นสถานที่ใด เกิดนาทีใดอยู่หน้าทีใดอยู่กับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่เราไม่มีการเสียสละไม่มีน้ําใจต่อคู่คนต่อสัรว์สัตว์ทั้งหลายต่อหมูหมากาไก่หมาก็อยู่กับเราไม่ได้แมวก็อยู่กับเราไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะเราไม่มีน้ําใจเราไม่มีเมตตาเราไม่มีการเสียสละให้แก่หมาแก่แมวไม่มีไม่เคยให้อาหารมันเลยฮะมันก็ไม่ติดสนิทสนมกับเราเพราะเหตุไรเพราะเรา ไม่มีฐานะคือการเสียสละให้แก่พวกสัตว์นะไม่ต้องพูดถึงมนุษย์นะมนุษย์ก็ยิ่งละเอียดอ่อนกว่านั้นไปอีกถ้าเรามีน้ำจิตน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์มนุษย์ก็เป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นสหายเป็นผู้เข้ามาใกล้ชิดเรามีอะไรก็พึ่งพาอาศัยกันนะเพราะเป็นมนุษย์ น, ะนี่แหละทวะาฐานะคำนียนะกว้างขวางมากตลอดถึงให้ทาเป็นทาน การให้ทำเป็นทางก็คือเป็นผู้ชี้แนะชี้นาในทางที่ถูกต้องเอออันนี้ผิดเน้ออันนี้ถูกเน้อันนี้ควรเน้อันนี้ไม่ควรเน้อันนี้ก็คือเป็นการแนะนําซึ่งกันและกันถ้าเมื่อทุกคนมีความเห็นเป็นแนวแถวเดียวกันความแตกแยกสมัมคีความพร้อมเพียงสมัมคีกันก็จะเกิดขึ้นในชุมชนในกลุ่มของพวกเราแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ ชี้แนะชี้นำไม่บอกกล่าวอ้างเหตุผลให้กันซึ่งกันและกันฟังพวกเราก็มีความคิดเห็นแปลกแต่ต่างกันผลที่สุดก่แต่แยกส้ำบักขีกันได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะนั้นอันนี้ก็คือธรรมทานหรือว่าวิทยาทานเพื่อให้แนวความรู้หลักวิชาการทีร่ว่าเราให้แนวความคิดหรือว่าหลัก ทำมาหาเลี้ยงชีพให้แ ก, ก่เพื่อนมนุษย์ชาติแนะนำเขาเพราะเขาไม่รู้เราก็ให้อันนี้ก็เป็นวิทยาทานนะเพราะท่านทานะคํานี้มีมากมายหลายอย่างทั้งให้อภั ย, ายทานด้วยวธรรมทานด้วยวิทยาทานด้วยการแนะนําสั่งสอนสิ่งไหนที่เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนลูกหลานเราควรแนะนําให้เขาเป็นคนดีฮะอันนี้ก็คือทานะทางนั้นศีลก็คือ พระพุทธองค์บอกไว้กว้างๆเหมือนกันพุดแท้จะพวกเราจะเลือกเอาได้ระดับไหนถ้าเราเป็นคารวะญาติโยมเราไม่พร้อมที่จะรักษาศีลห้าเพราะเกี่ยวกับวิชาอาชีพของพวกเราอย่างนี้เรายังทําไม่ได้แต่เราก็พยายามเทิดทูนบูชาวศินของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาพิจารณาดูแล้วมีแต่คุณมีแต่ให้คุณมีแต่เป็นพระคุณ เพราะว่าเราเปรียบเทียบเขาเปรียบเทียบเราดูแล้วศินของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคุณค่ามีประโยชน์มากๆเพราะเขามาทําให้แก่เราเนี่ยเขามาคิดฆ่าเราเขามาขโมยของเราเนี่ยเขามาไม่เคารพสิทธิในสามีภรรยาของเราเขาเขาโกหกเราเนี่ยเขากินเหล้า เ, เมาสุราเขามาแล้วมาฆ่ามาทุบมาตีเราอย่างนี้มาขาโมยของเราเนี่ยเพราะคนขาดสติ เราก็ไม่ไมพึงปราถนาทางนั้นออในเมื่อเราทำไม่มีศีลห้าอยู่แล้วเราไปทำให้คนอื่นเขาเขาจะยินดีเหรอเขาก็เช่นเดียวกันกับเราเพราะนั้นศีลห้าเนี่ยถึงเราจะรักษาไม่ได้เราก็เทิดทูนบูชาศีลธรรมของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์ต่อโลกจริงๆถ้าว่าโลกทั้งโลกไม่ว่าเขาว่าเรา ทุกผู้ทุกคนมีศีลธรรมแล้วโลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุขอันนี้คือจัดเป็นหมวดศีล น, นะทานศีลแล้วก็การภาวนาคือทําจิตใจเรื่องจิตเรื่องใจนี่เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างมากในหลักของพระพุทธศาสนากว้างขวางมากในเรื่องทางด้านจิตใจนี่เพราะนั้นขอให้พวกเราศึกษาเรื่องจิตวิญญาณเรื่องจิตเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องสมาธิภาวนาเนี่ย ไม่ใช่สมาธิภาวนานคือทำยังไงใจของเราจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นว่าไม่เบียดเบียนคนอื่นเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิไม่เบียดเบียนเราไม่เบียดคนอื่นแล้วก็ทำมาหาเลี้ยงชีพในทางสุจริตแล้วก็การกระทำทางกายทางวาจาหรือใจของเราก็ไม่ไปเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นแล้วก็มีความ ปรารถนาในจิตใจของเราอยากจะให้ผู้อื่นมีความสุขอย่างที่เราต้องการอย่างที่เราปรารถนาสิ่งใดต้องการความสุขอย่างไรทุกวิญญาณก็ขอให้มีความสุขอย่างที่เราต้องกา ร, าราปรารถนาอันนี้คือออกมาจากจิตใจแล้วเราจะทำยังไงที่จะให้จิตใจของเราเนี่ยมีเมตตาอย่างนั้นมีคุณธรรมอย่างนั้นมีศีลธรรมอย่างนั้น เพราะเดี๋ยวนี้มันคล้ายๆมันขึ้นๆลงๆหลบๆโผล่ๆไงพวกเราให้สังเกตดูนะสังเกตใจของพวกเรานะบางครั้งมันก็หลบขึ้นมาเออบางครั้งเออเห็นตามความเป็นจริงเออใช่ถูกต้องแต่บางครั้งมันก็มืดมิดปิดตาไปไปอีกเหมือนกันเออเห็นเ อ, อดีกับเป็นเลวไปอีก เ, ออเราก็บอกใช่ถ้าเป็นพระเออเป็นพร ะ, ะเป็นเจ้าแล้วเป็นผู้หมดมีผู้มั่งคั่งสมบูรณ์แล้วก็ทําอย่างกั้นได้แต่เราจะทําอย่างกั้นไม่ได้ฮะ กิเลสมันพามุดไปทางต่ํามันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราถึงจะมุดไปทางไหนก็ตามนะจิตใจของเราจะหันเหไปทางไหนก็ตามแต่เราต้องยึดทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นบรรทัดฐานหรือว่าเป็นแนวทางการเดินทางด้านจิตใจของพวกเราพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรในพุทธบริษัทสีของพระองค์ เราก็พยายามเดินตามสายทางนั้นนี่แหละเออตั้งแต่ทานเรื่งศีลเรื่องภาวนาเรื่องภาวนาเนี่ยเออสำหรับศรัทธา ญ, ญาติโยมรู้สึกว่าห่างเหินกันมากๆจุดนี้นะถ้าว่าไม่ได้ยินได้ฟังแล้วก็คงจะถือว่าการภาวนาเนี่ยเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์เท่านั้นภาวนาภาวนาเนี่ยเออเป็นหน้าที่ของพระที่ท่านอยู่ในปา่าหวงพงไปอพวกเราทาไม่ได้หรอก พวกเราไม่รู้จะทํำยังไงมีภาระมากจะ่ตามไม่จริงเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายทุกคนเพราะเหตุไรเพราะในครั้งพุทธเจ้าพระพุทธองค์ไปแสดงธรรมอยู่ที่ครั้งแรกนะที่กรุงราชคือเนะี่ยพระองค์ได้ตัดสัตย์รู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วท่านจากนั้นท่านในมาโปรดชดินสามพี่น้อง รู้เวลานาะทีกัตปะสามพี่น้องจากนั้นท่านก็นําฉดินสามพี่น้องพันกับสามองเข้ามาสู่กรุงราชคฤห์นะจากนั้นกรุงราชคฤห์เขาก็เห็นพระสงฆ์เข้ามาเป็นครั้งแรกที่มากขนาดนั้นนะ่ยพระเจ้าแผ่นดินคือพระเจ้าพิมพิสารเป็นประมุกเป็นประธานพอเห็นพระสงฆ์เข้ามาพันกับสามสามองกับพระพุทธไตรจ่า อสี่กับพระพุทธเจ้าแต่นนพระเจ้าแผ่นดินกับบริวารพอมาเห็นพระสงฆ์นั่งเต็มไปหมดว่างั้นเถอะพระเจ้าพิพิสาเนี่ก็เห็นแล้วก็กระด้างกระเดืองคล้ายๆกับว่าเออชดินสามพี่น้องเนี่ยกับพระพุทธเจ้าเนี่ยใครจะเหนือกว่ากัน เความสนเทในใจคือความคิดในใจของพระเจ้าพิมพิสารไม่ใช่แต่พระเจ้าพิมพิสารทุกหมู่เหล่าว่างั้นเถอะเพราะว่าเขาไปกร า, จจรร า, กาบฉดินสามพี่น้องเนี่ยเหมือนกับเป็นต้นตระกูลและเป็นพระของเขาว่างั้นเถอะเป็นพระประจําตระกูลของเขาอยู่ในกรุงราชก็คือใครมีอะไรก็ไปกราบฉดินสามพี่น้องนี่แหละอพี่ดินฉดินสามพี่น้องก็แนะนําสั่งสอนเขา แต่นี้พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้ท่านก็เห็นว่าพี่น้องจัดคณะสัทธาญาติโยมกรุงราชคือเนี่ยเคารพนับถือชดินสามพี่น้องถ้าว่าเราไปแนะนําสั่งสอนให้ชดินสามพี่น้องเนี่ยเป็นผู้ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลตามแนวแถวที่เราได้ตัดรู้เนี่ยแล้วเราจะเข้าไปกรุงราชคือจากเมื่อกรุงเข้าไปกรุงราชคือแล้ว เขาจะได้เห็นสามชดินเมื่อชดินแสดงความเคารพคาระวะเราเพราะชดินเป็นลูกศิษย์ของเราที่ไ่นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าท่านต้องยอมพะได้รับโอวาทจากพระพุทธเจ้าแล้วท่านได้เป็นพระอรหันต์แล้วท่านจะต้องเฉยและยอมเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจากนั้นเมื่อชดินแสดงเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า พี่น้องชาวกรุงราชคือก็พร้อมกับพระราชาก็เห็นว่าโอ้โขนาดในชาดินที่พวกเรารักเคารพนับถือเป็นผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นอาจารย์ของเราในตระกูลในกรุงราชคือท่านยังสยบหรือว่ายังนับถือพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ของท่านสมณโคโดมนี้จะขนาดไหนเนี่ยนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านประกาศเปยแผ่ธรรมะเข้าสู่กรุงราชคือเป็นครั้งแรก จากนั้นพระองค์ก็เข้าไปสู่กรุงราชคืออย่างทีวานพระเจ้าแผ่นดินกับประชพี่น้องประชาชนก็อดสูสับสนกันว่ากันแต่ไม่รู้จะกราบใครอ่พระพุทธเจ้ากับอุรุเวลานาทีกัปะพระพุทธองค์ก็บอกกับพระอรุเวลากัจปาเอาออรุเวลาลูกศิษย์ของท่านเนี่ยสนเทเอมีความสงสัยว่า เรากับท่านเนี่ยกับรุเวลาคาตาปะเนี่ยใครกันแน่ที่จะเป็นอาจารย์กันเพราะนั้นให้เธอแสดงให้ลูกศิษย์เธอหายสงสัยด้วยนะให้หายสงสัยซะแต่นี้พระรุเวลากาตปะท่านได้สำเร็จเป็นพระหรันท่านมีอิทธิฤทธิ์ด้ว ย, ยพอกราบเท้าพระพุทธเจ้าท่านนะ เ, เสร็จแล้วท่านก็เหาะขึ้นบนอากาศ คนแล้วจะลงมาเพราะท่านแสดงฤทธิ์เลยนะงานท่านบอกว่าพี่น้องประชาชน ญ, ญาติโยมทั้งหลายข้าพเจ้าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้ายอมรับยอมรับนับถือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าเป็นเซทของพระพุทธเจ้าขึ้นไปถึงสามครั้งลงมากล่าวเพราะฉะนั้นพระเจ้าพิมพ์พิสารกับพวกชาวบ้านทั้งหลายก็ยอมรับทีนี่ เป่าโ อ, อ้ขนาดอาจารย์ท่านชดินสามพี่น้องอยังยอมรับสิทธะพระพุทธเจ้าศิทธทานไม่ใช่ธรรมดาจากนั้นเขาก็นิ่งฟังท่นี่แหละพระพุทธองค์ก็ได้แสดงธรรมแสดงธรรมให้แก่พี่น้องชาวกรุงราชคฤห์ฟังมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นประมุขเป็นประธา น, นพอฟังธรรมเทศนาบางท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหรันต์ บางคนก็ได้เป็นพระนาคามีบางคนก็ได้เป็นพระจักทาคามีแต่บางคนก็ได้พระโสดาบันส่วนพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันนะก็นอกจากนั้นที่ได้ฟังแล้วก็เกิดความเคารพนับถือเรื่มใสแต่ยังไม่ได้ถึงสําเร็จมรรคสาเร็จผลก็เป็นผู้นับถือพระไตรสาระคมยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งเอ่อ ท่านบอกว่าในวันนั้นพระพุทธองค์เทศแสดงธรรมคนสําเร็จมรรคสาเร็จผลมากที่สุดได้สิบเอ็ดนะั่งหดคำว่านั่งหดหนึ่งเอ้านั่หดหนึ่งก็คือเมื่อนหนึ่งสิบเอ็ดนั่งหดก็คือแสนหนึ่งมืนแต่บางคนก็บอกว่าสิบเอ็ดนั่งหดก็คือล้านล้านหนึ่งแสนแอมลักษณะอย่างนั้นแต่พวกเราไม่ได้เกิดในยุคนั้นสมัยนั้นคำว่าสิบเอ็ดนั่หดนะพูดเพียงแค่นั้นเราคง ไม่รู้มันกันน่ะนั่งหดหนึ่งนั่งหดหนึ่งมีเท่าไหร่ไหมแต่ว่ามากที่สุดที่พระพุทธองค์ได้แสดงทำโปรดคณะศรัทธาญาติโยมนี่แหละคือธรรมเทศนากันเดียวแต่ผู้ที่ฟังนั้นลึกซึ้งต่างกันบางคนก็ได้สําเร็จเป็นพระอร uh หันต์บางท่านของพระอนาคามีพระสัคขาคามีพระโสดาบันอย่างน้อยก็ถึงพระไตราสารนคม นี่แหละจากนั้นเมื่อฟังเทศจบเรียบร้อยแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็น้อมที่ดินกรุงราชคฤห์นะี่เรียว่าวัดป่าเวลุวันกรันตุปตะวัดป่าเวลุวันวัดป่าสวนไม้ไผ่เวลุวันคือไม้ไผ่ถวายป่าไม้ไผ่ที่เป็นสวนอุทยานถวายพระพุทธเจ้าพร้อมพร้อมกับพระสงฆ์เนี่ยนะพระพุทธองค์ได้ รับที่ดินเป็นครั้งแรกคือวัดป่าเวลุวันของพระเจ้าพิมพิสารที่สร้างวัดเป็นครั้งแรกในพระพุทธศาสนาแล้วก็ต่อมาก็พระพุทธองค์ก็ได้นี่แหละวางกฎเกณฑ์คือว่ารัชธรร ม, ม น, นูญให้พระสงค์ก็คือวัดนี่แหละวัดป่าเวลุวันนี่แหละที่พระพุทธองค์วันเดือนสามเพ็นวันมาฆบูชา พระสงพันสองร้อยห้าสิบรูปมาลงอุโบสถที่นั่นเป็นครั้งแรกนี่แหละวัดปา่าเวรุวันแห่งนี้เพราะนั้นการฟังธรรมเทศนาเรื่องว่าการแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนสัทธาาญาติโยมมีมาแต่ยุคสมัยครั้งพุทธกาลพวกเราถ้าหาว่าตั้งใจฟังฟังและก็ศึกษาไตรตรองเหตุและผลเราไม่ได้ ฟังจุดหุดจุดใดจุดหนึ่งนะฝ่ายในการศึกษาจากนั้นความรู้ความฉลาดของเราก็จะซึมซับเข้าไปเรื่อยๆเหมือนกันแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้สนใจไม่ได้ฟังเราจะเป็นผู้เฉลียวฉลาดจะเป็นผู้รอบรู้จะเป็นรูผู้รู้ธรรมะแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติรู้จักศีลรู้จักทานรู้จักสมาธิรู้จักปัญญารู้จักสูงรู้จักต่ำรู้จักคุณบิดามารดา รู้จักคุณกุณปชาอาจารย์รู้จักคุณผู้มีอุปกระคุณ์วิยวุฒิคุณวุฒิเราจะรู้ได้อย่างไรถ้าเราไม่ได้ศึกษานะถ้าเราศึกษาแล้วเราจะรู้ว่าควรเราควรปฏิบัติตนอย่างไรในวในวิยวุฒิคุณวุฒต่อพี่ต่อพ่อแม่ของเราต่อพี่น้องของเราต่อพี่ป้านาอาปู่ย่าตายายของเราต่อครูบาอาจารย์ของเราต่อเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ ผู้เป็นประมุข ป, ประเทศชาติของเราต่อครูบาอาจารย์ทั้งฝ่ายพระพุทธศาสนาต่อพระธรรมคาสั่งสอนต่อศีลต่อธรรมเรื่องทานเรื่องศีลเราจะปฏิบัติตนอย่างไรถ้าเราได้ศึกษาถ้าเราได้เรียนรู้ถ้าเราได้กันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลนะเราจะรู้ได้เราจะวางตัวถูกยังไงจะทำยังไงจึงจะเหมาะสมจึงจะถูกต้อง อันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายที่ต้องศึกษาจากนั้นก็เนี่ยพูดเรื่องกฎระเบียบกับเรื่องศีลเท่นี้นการอยู่ด้วยกันเรื่องสมาธิเนี่ยหลวงพ่อก็เคยแนะนำสั่งสอนมากต่อมากในเทปในเอมสามแต่หัวผู้ใดเคยอยู่กับหลวงพ่อมานานพอหลวงพ่อพูดขึ้นมาก็พูดเออหลวงพ่อจะพูดเรื่องสมาธิวิธีสอนสมาธิแล้ว แต่ผู้ที่ยังไม่เคยมายังไม่เคยได้ฟังก็อยากจะฟังว่าหลวงพ่อจะสอนยังไงเรื่องสมาธินี่แหละมันมีหลายระดับแต่ถึงยังไงถึงหลวงพ่อจะไม่พูดในรายละเอียดกับขอให้พวกเราศึกษาในธรรมคำสอนของหลวงพ่อคือ MP3 สานั่นะได้เขียนบอกไว้วิธีการภาวนาทำอย่างไรขั้นตอนเป็นอย่างไรกาหนดภาวนาอันดับแรกหลวงพ่อจะเน้นหนัก กรรมฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือกรรมฐานของปูหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนําสั่งสอนสิทธิอนุสิทธิ์ของท่านหลวงปู่ต่างๆจะเป็นหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่เทศตลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่ไหนก็เถอะอถ้าท่านอบรมแล้วท่านให้ภาวนาพุทโธนะโดยมากท่านจะพูดเป็นคําเดียวกันหมดให้ภาวนาพุทโธนี่แหละเป็นหลัก หลวงปู่มั่นท่านก็บอกว่ากรรมาฐานภาวนาพุทโธนี่มีจริตมีอยู่หลายจริตจริตของมนุษย์เน่ยจริตของพวกเราท่านทั้งหลายโทสะจริตเนี่ยคือเป็นชอบโมโหโกรธาคือชอบโกรธให้แก่คนพอพูดอะไรไม่น่าจะโกรธก็โกรธนะอันนี้แปะว่าคนใจร้อนก็มีนะอชอบขี้โกรธก็มีอันนี้คือว่าโทสะจริตนะอีกราคะจริตเนี่ย ชอบรักสวยรักงามอชอบประดิษฐ์ประดอยอันนี้ท่านก่อนพวกราคะจตจริตแล้วพวกโมหจริตพวกนี้ไม่ช่วยคิดไม่ค่อยอ่านอะไรหรอกชื่อบื่อไปเรื่อยแบบงั้นอันนี้พวกเนี่ยพวกโมหจริตอพวกวิตกจริตพวกนี้วิตกกงังวล เขาพูดอะไรเ ห, ห็นนิดๆนิดน้อยก็คิดเอานมมาคิดมาปรุงมาฟุ้งมาสานพเพือเผือจะเป็นบ้านในง่ายๆโกวิตกจริญนี่นะเนี่อันนี้ก็คือพวกจริตหนึ่งไอ้พวกเจริญพุทธจริญเนี่ยอันนี้คือชอบหาเหตุและผลใช้ปัญญาพุทธจริตเนี่ยนี่แหละจริตมีหลายๆอย่างแต่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าเกือบพุกจริญถ้าภาวนาบริกรรมพุทโธแล้วเกือบถูกกับพุกจริญ ในจริตหกหกอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราภาวนาอย่างที่หลวงปู่มั่นหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราแนะนํานะแต่ว่าการภาวนาเนี่ยก็พยายามให้จริงให้จังนะอย่าไปทําแบบละเลอะเละบางทีกับภาวนาพุทโธพุทโธสองสามครั้งกับโอ้ยไม่ถูกกับจริตนะอแล้วก็จับไปเรื่อยเลยนะเอออันนั้นไม่ถูกนะเพราะนั้นเราจงยึดเอาให้แน่น ตั้งสิีให้เข้มแข็งขึ้นถ้ามันมันยังอ่อนมันยังหลุดไปได้ง่ายพยายามตั้งให้เข้มแข็งขึ้นหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถปริกรรมพุทธโถพุทธโถให้จริงจังและจริงใจนี่แหละในอย่างวันนี้วันพระเนี่ยพวกเรามานอนวัดอย่างนี้ผู้ทีไม่ได้กลับบ้านพวกนอนหาพักจะไปพูดจะไปคุยกันเวลากลางคืนอย่างนี้ จะให้อยู่ในความสงบถ้าไปพูดคุยกันไม่ได้นะถ้ามีใครโทรศพัพท์ก็ปิดไว้ก่อนอย่าไปคุยกันกลางคืนถ้าไปคุยกันนู่นออกไปหน้าวัดเลยน่นะไม่ให้ใครได้ยินนะ่ะถ้ามาคุยกันนะเสียเสียการเป็นอยู่เสียสมาธิในการปฏิบัติเพ้อเพอเป็นบาปอีกต่างหากเพราะเหตุดเพราะเขามาภาวนาตัวเองไปคุยโทรศพัพท์ไปรบกวนคนอื่นเขาอันนี้ร้อนแล้วแต่มันไม่ดีทางนั้นแหละเออใครเข้าภาษาบ้านเราผมไม่รู้จักความว่างั้น ไม่รู้จักความเขามองไม่รู้จักความคือไม่รู้จักกาละเทสะอการจัดการสถานที่อย่างนี้เราควรปฏิบัติตนอย่างไรอผัวนั้นให้ระวังเพราะฉะนั้นเรื่องภาวนาอย่างวันนี้พวกเรามานอนวัดเออนอนวัดเราคือเคยนอนมาพอแรงล้วนอนในวัตะสงสารนอนจมนอนใจในวัตะสงสารไปที่ไหนก็กินแล้วนอนกินแล้วนอนบัดนี้พระพุทธเจ้าจะภาวนาละ่ะ ทดลองอย่าไม่นอนดูสิในคืนนี้ถือเนชชิดูสิเป็นยังไงคือไม่นอนยืนเดินนั่งสามอริยบตรไม่นอนไม่ยอมเอ็นกายนี่แหละทดลองดูสิเป็นยังไงที่พระในครั้งพุทธกาลที่ทมท่านถือเนชชิการปฏิบัติได้ผลอย่างไรจะบางคนก็รู้สึกว่าอดนอนนี่ได้ผลนะแต่บางคนก็โอ้อดนอนไม่ได้อดอาหารดีกว่า บางทีท่านก็อดอาหารอดอาหารสติดีกว่าเพราะมันไม่ง่วงแต่ก็อดอาหารนี่แหละวิธีการประพฤติปฏิบัติมีมากมายหลายหลายอย่างเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราเลือกประพฤติปฏิบัติแต่ในครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่พระสาวกบางองค์ที่ท่าน สอนลูกศิษย์ลูกหาบางทีสอนแล้วไม่สอนอยังไงก็ไม่เข้าใจสอนอยังไงก็ไม่เข้าใจทั้งที่สอนอ ง, องค์อื่นก็เข้าใจหมดแต่องค์นี้ทําไมไม่เข้าใจบางครั้งก็ดิเอานําพระองค์นั้นไปกราบพระพุทธเจ้าก็มีในประวัติในพระไตรปิฎกนะแต่พุทธองค์ก็บอกว่าเอออันนี้ไม่ใช่วิสัยของพวกท่านจะสอนเป็นวิสัยของเราเป็นวิสัยของพุทธะ ท, ที่จะสอน อันนี้ก็คือเมื่อเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนคนคนนั้นอ่ะเขาก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลเพราะมีเทคนิคในการสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเป็นสยามผูรู้แจ้งโลกเหนือกว่าพระสงฆ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกเราจะทำอย่างไงได้ล่ะพวกเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าก็ปรินิพานไปแล้วพระหันสาวกรู้เรื่องต่างๆท่านก็ปรินิพานไปมากต่อมากพวกเราเกิดมาสุดท้ายภายหลัง เราก็ต้องพึ่งตนเองนะเลยถึงการภาวนาเราค่ให้สังเกตตัวเองการกําหนดลมหายใจเข้าเป็นยังไงสติของเราดีไหมทําไม่ดีเราเป็นเพราะอะไรมันง่วงมันง่วงเพราะอะไรเพราะเราฉันทานอาหารมากเกินไปอย่างนั้นใช่ไหมเราก็พยายามอดอาหารผ่อนอาหารลงถึงจะไม่อดก็ให้ผ่อนผ่อนอาหารลงจากนั้นก็ทดลองอดนอนดูซิเป็นยังไงเราถูกกับผลิต จะลิดในการเดินหรือการนั่งมากกว่ากันถ้าเรานั่งมันง่วงเราก็พยายามเดินออกมาเดินนี่แหละให้พวกเราสังเกตตนเองเมื่อเราภาวนาเราเดินโงกมเราภาวนาแล้วเป็นอย่างไรมันผลออกมาอย่างไรจิตสงบไหมถ้าจิตสงบจิตใจของเราได้รับความสงบเยือกเย็นในการยืนในเกินการเดินการนั่งนั่ง อันนี้เราก็อยึดตามแนวแถวนั้นนะนี่แหละอันนี้ก็คืออย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังเราต้องพึ่งตนเองเราต้องสังเกตตัวเองในการประพฤติปฏิบัติถ้าเรามีความสังเกตรเราต้องใช้ปัญญาในการประพฤติปฏิบัติแล้วก็ไม่น่าจะเหลือวิสัยนะนัตถิสันติปรังสุขขังจิตใจของเราจะสงบลงได้ พระพุทธองค์บอกนิสสัิันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเพราะนั้นเราเห็นแต่กินอาหารอร่อยก็นอนหลับแล้วก็ได้เงินได้สิ่งของมาถูกอกถูกใจเราก็มีความสุขแต่พระพุทธเจ้าอว่าความสุขนั้นพร้อมที่จะแปลเปลี่ยนไปได้ง่ายๆเหมือนกัน แต่ว่าความสุขจิตที่สงบเนี่นนะมีความสุขมากกว่านั้นเป็นความสุขที่เยือกเย็นเป็นความสุขที่ไม่มีพิษมีภัยเป็นความสุขที่หาที่อะไรจะเปรียบเทียบไม่ได้นนัติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีฮะความสุขอื่นพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้อย่างนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะยพระพุทธเจ้าพูดจริงไหมคานี้น นี่เขาบอกความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบเป็มิตรโปรพวกเราให้ทดลองดูสิเอใส่ใจดูสิพยายามกําหนดดูสิให้ภาวนาดูสิไม่ต้องคิดปรุงฟุงงงฟ้งไปอย่างอื่นเพราะความคิดปรุงฟุ้งไปอย่างอื่นเราคิดปรุงฟุ้งมาแล้วมามากต่อมากแล้วมันมีแต่ความทุกข์เท่านะั้นเข้ามาสู่จิตใจพอคิดมากๆเข้าไปหัวมันจะระเบิดเอาไงตาแดงเข้าไปมันปวดศีรษะเข้าไปอีกต่างหากถ้าเราคิดมากนะ แต่ที่เราหยุดคิดซิมันจะเป็นยังไงฮะนี่แหละอยากจะให้พวกเราทำได้หลายวิธีนะอันนี้คือผู้มาศึกษาผู้มาศึกษาผู้มาปฏิบัติทาว่าพวกเราศึกษาและปฏิบัติได้แล้วเนี่ยนะเราจะรู้แนวทางทั้งหมดอีกต่างหากนะเพราะพหลักของพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นเครื่องชี้นาของชีวิตนะเป็นเรื่องเรื่องจิตวิญญาณเรื่องความความรู้สึกนึกคิดของจิตใจฮ แต่พวกเราเมื่อภาวนาทําจิตใจให้สงบแล้วนะพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองอีกต่างหากว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญเนะ่ยเรามั่นใจเลยในความรู้สึกของเราตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเพราะเอะไดเพราะจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเห็นได้ชัดในความรู้สึกของเราร่างกายเป็นอันหนึ่งจิตใจเป็นอันหนึ่งแต่มันอาศัยกันอยู่เออเป็นอาศัยกันอยู่มันแต่ไม่ใช่อันเดียวกันอันนี้เราก็เห็นได้ชัด เมื่อแตกตายดินสูดดินน้ําสูดน้ําลมสู่ลมไฟสู่ไฟแตกสลายไปแต่ส่วนจิตใจคือนามธรรมตัวนี้ออกจากร่างที่มันแตกสลายนั่นะ่ะไปปฏิสนธิไปหาเกิดที่อื่นได้อีกไ่ะพราะพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นเพราะฉนั้นท่านจึงว่าไปเกิดพบภาชาติหนาก็เหมือนกับชาตินี้แหละไปเกิดกี่พบกี่ชาติกี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนชาติก็เหมือนกับเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ล่ะ หาอยู่หากินหาเลียเ้ยงปากเตี้ยท้องมีการทะเลาะวุ่นแว่งกันมีการรักาการชอบกันมีความเมตตาปาณีต่อกันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจะทํำยังไงจึงจะไม่มาเกิดอีกอท่านหาวิทางจะทํำยังไงใจดวงนี้จึงจะไม่มาเกิดอีกพระพุทธเจ้าท่านเสะแสวงหาท่านจึงได้วางทำคําสอนให้พวกเราได้ศึกษาอริยสัจสี่ทุกสมุทยัยนิโรธมรร ติปัะฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมมรคแปดเนะี่ยสมารถิติสมาสมาธิเป็นที่สุดไนะตรรักอันจังทุกขังอนัตตาพระพุทธองค์วางไปหมดแลนะ้คือมรคคือหนทางที่จะให้พวกเราเดินไปสู่มรคนิพพานเพราะนั้นขอให้พวกเราศึกษานะวันนี้ศึกษาเรื่องอะไรก อ, อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่านั่งสมาธนะิขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นอะ ให้ภาวนาพุทธโธพุทธโธพุทธโธทําจิตใจให้สงบให้นิง่งจากนั้นมันยังเผอภัยพยายามตั้งสติให้แข็งขึ้นกว่าเก่าอีกกําหนดขึ้นให้แข็งขึ้นอีกพุทธโธพุทธโธพุทธโธเอจากนั้นจิตใจเขาของเราเข้าสู่ความสงบ เ, เมื่อสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วก็พิจารณาทางวิปัสสนาอะไรตัวนี้เดินวิปัสสนา เ, เดินวิปัสสนานี่มีกว้างขวางตัวนี้เอให้ศึกษาอีก วิธีการเดินแล้วเรากอศึกษาคืออะยรศึกษาตามเทพตามหนังสือเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิง่งธรรมเทศนาของหลวงตาเปทวีราชท่านอบรมพระกลางกลางคืนเนี่ยให้เราพยายามฟังฟังหลายครั้งต่อหลายห น, นวิธีการเดินวิปัสสนาจะเดินลักษณะอย่างนั้นนะจากนั้นเมื่อเราเรียนรู้เราวิจักวิธีการเดินเราก็จะเดินวิปัสสนาในเมื้องวิปัสสนาเราก็เข้าสมาธิทําจิตใจให้สงบเมื่อสมาธิ เออเป็นภักผรอนแล้วเดินวิปัสสนานี่แหละสมาธิกับวิปัสสนาในเป็นของคู่กันเลยท่านนี่นี่แหละขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะคณาสธา ญ, ญาณโยมลูกหลานทุกคนที่ได้ยินได้ฟังที่หลวงพ่อแนะแนวในภาคปฏิบัติเรื่องจิตภาวนาให้แก่วพวกเราได้ฟังได้ศึกษาสรุปแล้วในหลักของพระพุทธศาสนานะี่ท่านยืนยันเออตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอน พวกลูกหลานอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วเกิให้นั่งภาวนาในภาม น, นาจิตของเราเข้าสู่ความสงบแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองกายของเราเนี่ยเป็นรู ป, ปรธรรมส่วนจิตใจนั้นนามธรรมตัวนั้นละ่ะตัวนามธรรมนั่นละ่ะจะไม่ตายไปเกิดปฏิสนทิแล้วก็นามธรรมตัวนั้นละ่ะที่บอกเป็นผีผีเนะี่ยพวกเรากลัวผีเนะี่ยไม่ใช่กลัวกระดูกเลกลัวถูกนล้วมันเผาไปแล้วจะไปกลัวอะไร เหมือนกับกระดูกช้างม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไกนะ่นั่นกระดูกแล้วแต่น้ํามาทมนะที่พวกเรากลัวแต่เอาเถอะเราคิดเดี๋ยวนี้เราก็ยังไม่คิดจะจะหลอกใครอยู่แล้วนะ อ, อพวกเราก็คิดว่าเราก็จงไปอยู่ตามบาปตามกรรมของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราอย่าไปกลัวนะไปอยู่ในะสถานที่ใดอย่างมาอยู่วัดหลวงพ่อเนะเอย แต่มันก็ห้ามไม่ได้หรอกความกลัวแต่ก็อยต้องคิดต้องใช้ปัญญาต้องคิดปัญญาให้รอบครอบเราไปกลัวอะไรให้ถามมาตัวเองกลัวอะไรอกลัวผีกลัวผีกลัวซากศพกลัวผีตายแต่กลัวคนตายแต่เราคิดดูใช่ว่าไม่หูไม่รู้ว่าเนื้อบัวเนื้อควายเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อเป็ด เนื้อปลามันอยู่ในท้องของเราเนี่ยท้องของเราเนียเป็นสุสานใหญ่ที่สุดอพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันเป็นสุสานที่ฝังซากศพใหญ่ที่สุดพวกเราอยู่อายุถึงขนาดนี้สุสานในสัตว์อยู่ในท้องของเราเนี่ยกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนตัวจะพูดจะงขนาดนั้นแล้วว่างั้นเถอะตัวเล็กตัวน้อยมาอยู่ในท้องของเรา เราจะไปกลัวอะไรถ้ากลัวก็กลัวท้องของเราเจ้นี่ค่ะเราจึงโหมพายมันอีกต่างหากเยพวกสัตว์ทั้งหลายกำมันนอนเป็นอาหารอยู่ในท้องของเราเนี่ยเนี่นะถ้าเรากลัวกระดูกเราจะไปทําไมกลัวทําไมกระดูกกระดูกคนกระดูกของเราเราอยู่ในกระดูกหัวกระโหลกที่สะของเราจนถึงฝ่าเท้าเนี่ยมันเรามีกระดูกอยู่ใช่ไหมกระอยู่ในร่างกายของเรามีกระดูกอยู่แล้วเราจะไปกลัวไปที่ไหนกูกลัวกระดูกน่ะ เพราะนั้นเราคิดดูให้ดีอความกลัวเนี่ยต้องต้องพยายามส่งเสริมให้กล้าบางั้นเถอะอย่าไปคิดให้มันกลัวอคือพลิกจิตใหม่ให้รู้เท่ารู้ทันรู้เรื่องรู้ราวรู้มันรู้ตัวรู้รอบรู้รอบขอบชิดว่างั้นเถอะให้รู้เห็นตามความเป็นจริงฮะพวกเราพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วความกลัวมันก็จะหายนะถ้ามันหลอกตนเองอยู่ทั้งวีทั้งวันมันก็กลัวกลัวกลัวอย่างนั้นแหะ อไม่รู้จะกลัวอะไรนะผลได้สุดผมมีแต่กลัวเพราะเพอจะอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้เปิดแหนบกลัวนะเพราะเหตุใดเพราะสติปัญญาเราไม่ทันใจของเราอ่ะในใจของเราเลยหลอกเราจะตอดเวลาก็เลยมีแต่ความกลัวนะผลท่านอย่ากลัวนะให้ปฏิบัติสินปฏิบัติธรรมหาทางพ้นทุกนั่นแนหะดีที่สุดไม่ให้มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสา ร, รให้เห็นใจของตนเองให้เห็นความนึกคิดของตนเองให้เห็น ตัวที่จะไปเวียน่หยตายเกิดนันในใจของเราเนีนะ่ให้ชำระให้มันสะอาดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจแล้วนั่นแหละถึงความบริสุทธิ์พ้นยู่ที่จิตที่ใจของพวกเรานะการพูด ก, การแนะแนววันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระสีรัตนาตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้คุ้มครองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุข ปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมเขาขอให้สำเร็จสมความมุ่งมาตปราถนาทุกประการเทิน